วันนี้เป็นวันที่26มกรา2550ตรงกับขึ้น8ปดค่ำเดือนสตามจันทรคติวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่างทุกวันอย่างทุกครั้งที่ผ่านมา ตอนน่อไปผมจะได้กล่าวสัมมนิยกถาเพื่อการศึกษาสำหรับหมู่พวกเพื่อนถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดก็จะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้นั้นก็คงจะ ไม่มีทางเพราะนั้นท่านจึงถือว่าผู้น้อยก็ต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่เพื่อการศึกษาถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แต่ผมเองผมก็ไม่ได้ถือว่าผมเป็นปรมาจารย์หรือครูบาอาจารย์ของหมู่พเพื่อนร0 0เเซไม่ใช่เป็นอย่างนั้นผมก็ได้ตรวจตราดูผมอยู่ผมก็ถือว่าผมในฐานะเป็นพี่พี่ก็ย่อมแนะนำ พวกน้องๆได้เพราะเกิดก่อนเพราะได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษามาในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกท่านถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นน้องๆเกิดมาตามลำดับวันเดือนปีตามอายุอายุพรรษา แต่รวมกันแล้วก็คือเป็นสากยบุตรพุทธชินโนรสคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นเพียงแต่ว่าพี่น้องผู้เกิดก่อนที่หลังเท่านั้นเองผู้พี่ก็ต้องแนะนำน้องพอเกิดมาที่หลังจะให้น้องท้าว่าพี่ไม่แนะนำน้องจะฉลาดขึ้นมาเลยโดยที่ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนก็คงจะเป็นไปได้ยากถึงจาก มีตำรับตำราบอกกล่าวเอาไว้แต่ไม่มีพี่ที่พานำพาปฏิบัติก็จะให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนั่นก็คงจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะนั้นพี่นี่ก็คือเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้นำเป็นอาจารย์แปลว่าเป็นตัวอย่างสำหรับพวกน้องๆทั้งหลายเป็นอาจารย์เป็นว่าเป็นแบบเป็นฉบับ เป็นผู้พาดำเนินแต่อาจารย์ครูบาอาจารย์หรือว่าพี่นั้นบางครั้งก็จะให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะดูพี่แล้วก็ตามก็ต้องศึกษาในหลักพระธรรมคำสั่งสอนประกอบไปด้วยเพื่อจะให้ความศึกษาของเรานั้นแน่นแฟนขึ้นมีทั้ง หลักพระธรรมคำสั่งสอนมีทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างแต่ว่าการแนะนำสั่งสอนนั้นบางครั้งอาจจะผู้แนะนำสั่งสอนอาจจะแนะนำสั่งสอนไม่ตรงประเด็นหรือว่าอาจจะแนะนำสั่งสอนไปตามความคิดเห็นของตนคือว่าเอาตัวตนเอาตนเข้าไปแสดงความคิดเห็น ผิดแปลกแตกต่างไปจากหลักพระธรรมวินัยอันนี้ก็มีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรจะศึกษาทั้งสองอย่างคือศึกษาจากครูบาอาจารย์จากพี่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ศึกษาตามหลักพระธรรมวินัยมาในพระไตรปิฎกอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าพวกเราจะศึกษาแต่ในพระไตรปิฎกอย่างเดียว ท่านก็พูดเป็นกลางๆและท่านเป็นพูดเป็นแนวแถวท่านจะอธิบายในรายละเอียดในภาคปฏิบัตินั้นก็คงจะไม่อย่างลึกไม่ละเอียดเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ได้ประสบการณ์มาการประสบการณ์ครูบาอาจารย์แต่ละครั้งแต่ละท่านก็ยังไม่เหมือนกันอีกขณะที่ปฏิบัติไปจิตใจเป็นยังไงอย่างเนีท่านก็ได้ถ่ายทอดมาให้พวกรุ่นน้องๆฟัง แต่พวกเราที่เป็นรุ่นน้องก็ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ครูใบอาจารย์จากนั้นก็ประสบปรการณ์ของตนเองอีกก็มาถ่ายทอดลงไปอีกอย่างที่ผมเคยบอกกล่าวหรือบอกเล่าให้หมู่เพื่อนฟังว่าขณะที่ไปปฏิบัตินั้นใจมันร้อนอย่างนี้จะเปิดในตำราพระไตรปิฎกนั้นคงจะหาไม่เจอแต่ถ้าหากว่าพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติประสบปรการณด้วยตนเองนั้น มันถึงใจพอเหตุไรเพราะว่าการปฏิบัติของเรานั้นมันประสบะการณ์และพูดได้อย่างเต็มปากพูดได้อย่างชัดเจนด้วยไม่สะทกสะท้านด้วยเพราะว่าตัวเองได้ประสบพบมาอย่างนั้นแต่เราจะไปอ่านในพระไตรปิฎกเอามาพูดนั้นคงจะหาไม่ได้แต่ว่ามีแนวแถวนั้นมีแน่แนวแถวลักษณะอย่างนั้นเพราจิตใจไปได้หลายรูปแบบกิเลสในใจของเรานั้น ร้อยเรียผันเหลี่ยมร้อยสันพันคมด้วยนั้นเราจะเอาทั้งร้อยสรนผันคมเอาเลียเหลี่ยมเหล่านั้นมาอ่านมาเขียนในพระไตรปิฎกทุกขณะจิตที่คิดก็คงจะทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นจึงได้อาศัยครูบาอาจารย์ในภาคปฏิบัติในภาคปฏิบัตินี้จึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ผ่านประสบการณ์มา เพราะนั้นพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาจารย์พระกรรมฐานสายองค์หลวงปู่มันเพราะนั้นเวลาจะกล่าวถึงครูบาจารย์ต้องยกมือท่วมหัวซะก่อนว่าพ่อแม่ครูบาาจารย์เพราะเหตุไรเพราะว่าท่านได้สั่งสอนในภาคปฏิบัติของท่านประสบการณ์มาอย่างไรท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนอย่างที่ท่านได้ประสบการณ์มานั้นให้แก่พวกเราถ่ายทอดให้พวกเราได้ศึกษา จากนั้นเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่ท่านแนะนำสั่งสอนถึงจะไม่เปี้ยทีเดียวก็แฝงแฝงเราก็พอจะจับเงื่อนได้ว่าจิตของเราเป็นลักษณะอย่างนั้นก็คงจะเข้าในลักษณะอย่างนั้นคงจะผิดแปลกแตกต่างจุดนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่สำหรับฝ่ายประยัตฝ่ายปริยั ต, ยตคือฝ่ายศึกษาฝ่ายเร่เรียนในพระไตรปิฎก ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเวลาจะสอนท่านก็ยกตำรับตำราขึ้นมาสอนพอสอนไปสอนไปพวกลูกศิษย์ลูกหาก็จดจำตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนท่านก็ชี้ประเด็นตัวนี้แปลอย่างงั้นตัวนั้นแปลอย่างนี้นอาศัยความจำจากนั้นเพอเพลลูกศิษย์นี่จำเก่งกว่าลูกอาจารย์อีกตีแผลพระไตรปิฎกได้กว้างขวางอีก แปลหนังสือได้เก่งกว่าอีกเพราะฉะนั้นคำว่าเก่งกว่าตัวนี้ก็เลยเป็นทิฏฐิมานะถือว่าเป็นความรู้ความฉลาดของตนเองที่เหนือกว่าครูบาอาจารย์เวลาไปถึงครูบาอาจารย์เพอเพอยอย่างเชิงอย่างภูมิกันอีกว่าเนี่ยครูบาอาจารย์องค์เนี่ยที่ท่านว่าเก่งนะยังสู้เราไม่ได้ในใจลึกๆคล้ายๆบวชอวดอ้างอยู่ในใจลึกๆว่าความจําของข้า ความรู้ความฉลาดของของข้าตีแผลพระไตรปิฎกนั้นตีความหมายในในพระไตรปิฎกนั้นหรือความจำในพระไตรปิฎกนั้นข้าพเจ้าไม่แพ้ท่านเหนือกว่าท่านเสอีกอันนี้คือฝ่ายปริยัติธรรมฝ่ายในใจหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดก็แล้วกันในจุดนี้เพราะเคยเห็นอกับกิริยาอย่างนั้นมาหลายหลายท่านแต่สำหรับพระปฏิบัติแล้ว ครูบาอาจารย์ที่ท่านนำมาประพฤติปฏิบัติมาแนะนำสั่งสอนพวกเราถึงท่านจะพูดเกี่ยวกับสมาธิสมาธิมีหลายด้านมีหลายทางมีหลายแนวทางพวกเราก็ะซึง้งศึกษาในสมาธิที่ว่าจะเข้าสมาธินั้นจะเข้าอย่างไงจะปฏิบัติอย่างไงจะเข้าจุดไหนอย่างไรก่อนที่จะเข้าสมาธิคณิกะอุปจาระอ ป, ปนาสมาธินั้นจะเป็นอย่างไงอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกแนะนำสั่งสอน ว่าการเข้าสมาธินั้นไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกครั้งไปเพราะจิตที่จะเข้าสมาธินั้นถ้าจะว่าไปแล้วเราปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้กำหนดอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติไปแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้งแต่บทที่มันจะได้มันลกล็อกของมันเองมันเข้าล็อกของมันเองเหมือนกับเขียรลูกก๊อลงหลุมอย่างนั้นอะ แต่เราตั้งอกตั้งใจเขียขนาดไหนมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ลงแต่ว่าเงินบางครั้งเราเขียถูกจังหวะถูกการถูกจังหวะของมันพอเหมาะพอดีกับมันลูกก๊อฟก็ลงหลุงป๊อกอันนี้ก็เหมือนการนั่งสมาธิภาวนาถ้าจะเปรียบเทียบกันในลักษณะอย่างนั้นแต่ก็คงจะไม่นั้นอย่างนั้นเปี้ยทีเดียวเพราะว่าน่ อย่างที่ว่าได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์อย่างที่ว่าท่านก็แนะนําสั่งสอนวิธีการต่างๆเพราะฉนั้นบางท่านบางคนพอนั่งสมาธิจิตไม่เข้าสู่ความสงบก็ทําให้จิตใจของตัวเองสายแสกระจับกระสายบอกว่าบวชมาในพระพุทธศาสนาไม่มีบุญวาสนาบารมีนั่งภาวนาจิตใจก็ไม่สงบเยือกเย็นจิตใจไม่สงบอย่างนี้เป็นต้น วันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นพวกเราถือเป็นแบบเป็นฉบับถือเป็นตัวอย่างอย่าไปถือว่าเวลานั่งทีไรก็จิตสงบทุกครั้งการที่จะสงบทุกครั้งนั้นท่านก็ฝึกหัดจนชนํชนานิชํานาญอันนั้นไม่ว่ากันแต่ถึงงั้นก็เถอะแต่บางครั้งมันก็ยังทะเลตะไลบัยังสู้ครูอีกต่างหากมันไม่ยอมไปตามที่ กรรมฐานที่ของเราต้องการสรุปแล้วก็คือสติของเรายังอ่อนเมื่อสติของเราแก่กล้าแล้วอันนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ท่านฝึกหัดแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าจิตยังไม่ได้มาตรฐานจิตยังไม่มั่นคงจิตยังไม่ตายตัวจะว่าไม่สแตนด์ดัตมันก็ยังมีการหลอกตนเองมันยังเป๋ซ้ายเป๋ขวาเป๋หน้าเปหลังมันยัง มันยังไม่ได้เพราะนั้นเราต้องฝึกหัดพยายามดูอกับกิริยาของใจไปเรื่อยๆภาวนาวันนี้เป็นยังไงเที่ยวนี้เป็นยังไงเที่ยวหน้าเป็นยังไงกาหนดแล้วเป็นยังไงเหล่านี้เป็นต้นให้ถือว่าเราเป็นผู้สังเกตเราให้ถือว่าเป็นผู้ใช้สติใช้ปัญญาในการปฏิบัติถ้าเราทำอะไรเพียงแต่สักว่าทำไม่ได้สนใจไม่ได้ไตรตรองเหตุและผล ทำเป็นวันๆไปอันนั้นผลที่เกิดขึ้นมาที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นก็คงจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคงจ ะ, ะไม่เป็นที่พอใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ปฏิบัติอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนท่านก็บอกว่าสติเป็นสิ่งอันดับแรกเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญอย่างยิ่ง อย่าให้ขาดสติในการภาวนาถ้าเราพยายามฝึกหัดสติเอาสติให้เข้มแข็งกาหนดกรมกรรมฐานไหนก็ให้อยู่กับกรรมฐานนั้นสมมติว่ากรรมฐานพุทธโธอย่างเนี้ยเรากาหนดลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้จะหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเราก็บังคับใจของเราให้อยู่กับพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจากนั้นการเคลื่อนไหวของเรา เวลาจะปัดกวาดก็ดีเราจะเดินบิณฑบาตก็ดีเราจะเดินจงกรมก็ดีขาขวาพุทธขาซ้ายโถคือการเคลื่อนไหวของเราแต่เวลาเรานอนมันยังไม่หลับเรเลาหายใจเข้ากับกาหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถอันนี้คือเป็นพื้นฐานหรือเป็นบาดฐานที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้พวกเราท่านตั้งหลายที่จะทำจิตให้สงบนั้นไม่มีทางอื่น คือกำหนด บ, บังคับให้มีสติสตินี่แหละที่จะทำจิตให้สงบเข้าสู่ความสงบได้สติคือความระลึกได้สัมปัชัญญะคือความรู้ตัวให้มีความรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเรายืนเดินนั่งนอนออตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราก็ให้มีสัมปชัญญะให้มีความรู้ตัวอยู่เสมออันนี้ว่าสติสัมปชัญญะ เพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนี่แหละที่จะทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้ต้องนั่งสมาธิต้องทำจิตให้สงบทั้งยืนเดินนั่งนอนในอริยบทสไม่ว่าอริยบทไหนก็พร้อมที่จะทำจิตให้สงบได้เพราะเหตุนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะเวลาปฏิบัติอย่าไปนั่งซะก่อนยืนซะก่อนเดินซะก่อน อริยบทไหนก็ได้เว้นเสียตอนนอนหลับถ้านาหลับแล้วก็แปลว่าเราหมดโอกาสที่จะทำจิตให้สงบบางคนก็ฝันไปอีกเพ้อเพอฝันแบบฝันเคลิ่มๆเกิดบางคนก็หลงไหลไปอีกว่าตัวเองจิตสงบแต่ตามไม่จริงมันมันขาดสติแล้วจุดนั้นบางทีอาจจะมีนิมิตบ้างมันอาจจะแบบเคลิ้มๆไปบ้างลักษณะอย่างนั้น แต่ตามไม่จริงคําว่าสงบเนี่ยมันจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดจิตสงบสติเป็นอันไหนจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันไหนสติเป็นอันนั้นรู้สึกตัวอยู่รู้สึกในความอยู่ของตัวเองในความรู้สึกของจิตถ้าว่าลงลึกลงไปกับเราไม่รู้สึกว่าเราอยู่ณสถานที่ใดหลับหรือตื่นอย่างไงเราไม่รู้ แต่สติกับจิตนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ประวัติจิตดิ่งลงสู่ความสงบเป็นหนึ่งอย่างลึกซึ้งเรียกว่าอัปปนาสมาธิอันนี้ใช่จะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้งนานทีจะได้เจอรถแห่งอัปปนาสมาธิสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแต่ถ้าว่าท่านผู้ชํานิชํานาญแล้วกัอย่างที่ว่าท่านจะเข้าสมาธิระดับไหนท่านก็เข้าได้แต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายโดยมาก อุปจารสมาธินี่ก็ได้ขนาดนี้ก็นับว่าดีมากแล้วคณิกาคือกําลังน้อยเกินไปจะพิจารณาอะไรยังไม่ไม่เต็มเม็ดเตําหน่วยถ้าอุปจารสมาธิจิตสงบจิตนิ่งจิตจิตไม่หิวโหวยจิตไม่อาไม่มีอารมณ์เป็นสองกำหนดพิจารณาอะไรกําหนดลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจ จิตค er ิดเรื่องอะไรก็ทันรู้เท่ารู้ทันว่าจิตนิดคิดเรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรถ่ายเสียงอะไรเข้ามาก็รู้แต่ไม่ส่งไปตามเสียงที่ได้ยินหูที่ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ได้ส่งใจไปตาเห็นอะไรก็ไม่ได้ส่งไปตามตาเวลาเราเดินยองกลมอยู่เนี้ไม่ได้ส่งไปตามกระแสของสายตาที่มองไปเห็นใจมันอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาก้าวเดินอันนี้แปลว่าจิตเป็นอุปจารสมาธิ นะจิตเป็นอุปจารสมาธินี่แหละจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็พิจารณาได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรืออาการ32หรือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้เราพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ผมจนจดเท้าพิจารณาร่างกายทุกส่วนของร่างกายตลอดหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารก อันนี้เราพิจารณาร่างกายไม่เหมือนกับแพทย์กับหมอถ้าแพทย์หมอเขาพิจารณานั้นเขาพิจารณาศีระคือร่างกายให้เห็นว่าร่างกายทําหน้าที่อย่างไรบ้างแต่หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้พิจารณาร่างกายเป็นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อตายไปแล้วใจก็ออกจากร่างไปถือปฏิสนธิที่อื่นแต่หมอหรือแพทย์ นักวิชาการทางแพทย์ของเขาเขาก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นร่างกายมนุษย์แต่ว่าใจที่ออกจากร่างนั้นเขาไม่ได้เห็นเขาไม่รู้เขาศึกษาแต่สีระของมนุษย์ว่าเป็นสมองสมองไม่ทํางานหมดลมหายใจสมองขาดออกซิเจนแปลว่าคนตายถ้าว่าคนสลบไปคนไม่หายใจประมาณ อย่างมากเย็ดนาทีเขาว่านะก็หยุดออกซิเจนไม่เลี้ยงสมองแปลว่าเป็นเจ้าชายนิทราอันนี้แปลว่าทางวิชาแพทย์ของเขาเขาศึกษาได้เพียงแค่นั้นแต่วิชาทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใจเขามายึดครองร่างกายนามธรรมาตัวนี้แหละเข้ามาใช้สมองอีกที่หนึ่ง ท่านให้พิจารณาใจตัวนีหละให้เบื่อหน่ายร่างกายร่างกายทุกส่วนของที่พวกเราเห็นอวัยวะทุกส่วนของร่างกายต้องแตกสลายในที่สุดสู่ดินน้ำลมไฟไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่เกิดมาแล้วตายโดยการทั้งนั้นไม่ว่าเด็กอยู่ในท้องเป็นอนิจจังของไม่เที่ยง้วยการทั้งหมดพระพุทธเจ้าพิจารณาให้เบือ่อให้เกิเดความเบื่อหน่าย ให้เบื่อหน่ายร่างกายจากนั้นจิตใจก็คลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นโทษว่าร่างกายถึงจะเกิดมาร้อยปีพันปีเกิดมากี่หมืน่นกี่แสนชาตเาิเกิดมาเป็นไทยเป็นพมา่าเป็นลาวเป็นจีนเป็นฝรั่งเป็นอะไรก็ตามเกิดมากี่ร้อยกี่สัญชาติก็ตามเกิดมาเท่าไหร่าตายเท่านั้นไม่มีใครที่จะอยู่ได้พอตายแล้วก็ร่างกายทุกส่วนก็ ลงไปสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันใจก็มาเกิดปฏิสนที่ไปหาที่เกิดใหม่อีกพอเกิดม า, มาแล้วก็ตายอีกอันนี้เรียกว่าวัตวนวัตสงสารเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าถึงพวกเราจะทำคุณงามความดีจังสมบุญกุศลทานศีลภาวนาอย่างพระพุทธเจ้า ของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อท่านสวยเป็นพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจะทำคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลให้ทานลูกเมียให้ทานทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามท่านก็ปราถนาโพธิญาณข้าพเจ้าทำคุณงามความดีอะไรก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้ตัดรูปโปร้โพธิญาณคือโพธิญาณคือให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต สรุปแล้วก็คือท่านปราถนาไม่อยากจะมาเวียนไหวตายเกิดให้ตัดสุขเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยมรรคบรรลุมรรคผลเป็นพุทธะหรือถอนโลกหรือถอนสัตวโลกทั้งหลายออกจากวัตะสงสารแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาจะมากจะน้อยก็าตาม ก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจอธิษฐานอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพาปฏิบัติติว่าท่านมองไกลอย่างพวกเราเมื่อข้าพเจ้าได้สั่งสมบุญกุศลมากน้อยที่เป็นบุญเป็นกุศลในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีหรืออนาคตที่ยังไม่ได้ทํำก็ดีบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําดีแล้วที่เป็นบุญเป็นกุศลขอให้ข้าพเจ้า พ้นทุกในวัฏฏะสงสารถึงฝั่งพระนิพพานโดยเร็วอย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้แปลว่าผู้เกิดมาแล้วทาบุญกุศลหวังพระนิพพานแบวกวัฏฏสงสารไปถึงฝั่งแต่ถ้าว่าพวกเราทาบุญทำทานอันไหนก็ตามเรายัางปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์นิพพสมบัติพมโลกสมบัติอยู่ อ น, นั้นท่านว่าปราถนาในวัตตน์ในวัตตะอยู่ในวัตตะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเกิดเกิดตายตา ย, ตายลุ่มลุ่มดอนดอนอย่างที่ได้กล่าวถึงจะเกิดเป็นชาติชั้นวันณะไหน เ, เป็นไทยเป็นจีนเป็นฝรั่งที่ไหนก็ตามจะเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียศฐานมันดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหน ก็ยังเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารรุมรุมรอนรอนสูงสูงต่ำๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านถ้าจะบําเพ็ญทานศีลภาวนาถึงจะมากจะน้อยก็ตามให้ตั้งความปรารถนาถึงพระนิพพานอา่ให้ถึงฝั่งพระนิพพานอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปพอเรามาเวียนไหวตายเกิดก็ยังพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยนะ เ, เกิดมาพบนิชาตนี้เป็นยังไงเอ่ ถ้าเป็นพระก่อนเกิดขึ้นมากับบวชเข้ามากับไปบินทบาทมาฉันฉันแล้วกับวันพุ่งนี่ก็หิวไปบินทบาทมาฉันแล้วก็มาขับมาถ่ายมาหายใจเออมาพูดมาคุยมาสนทนาปารบมาปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถูอย่างนี้แหละถ้าเป็นคราวาญญาโจงวิ น, นาที่การงานของแต่ละคนการทําหน้าที่การงานก็ไม่เหมือนกันเออบางคนก็ผิดล็อกผิดที่เออเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าคุกข่าวตาราง อย่างนี้เป็นต้นแปลว่าการใช้กรรมใช้กลัมคือผลของกลัมคือการกระทําของเราไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปพระพุทธเจ้าเห็นแล้วเป็นภาพรวมออกมาแล้วน่าเบื่อหน้านายไม่น่าเออพิรมไม่น่าอยู่ในวัตสงสารนี่น้าจะหนีออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะหนีได้เพราะว่าโลกนี้มันเหมือนกับ ฐานเพิงหรือว่ากองไฟหรือว่ากองทุกสมพวกเราอยู่ถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วแก่เป็นยังไงคําว่าแก่เป็นยังไงเมื่อหนุ่มเราก็ยังพอใจแต่เราไม่ตายง่ายเราแก่ไหมไม่ต้องสงสัยเมื่อแก่คนแก่แล้วเป็นยังไงและเจ็บเป็นยังไงเมื่อเจ็บเป็นเด็กเป็นเล็กถึงจะเจ็บเวลาไหนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่เวลาเจ็บขึ้นมาเวลาไหน ไม่สีเวลยทั้งนั้นไม่รู้จักเด็กเจ็บผู้ใหญ่เจ็บหนุ่มสาวเจ็บเท่าแก่ชราเจ็บคำว่าเจ็บนี้ไม่เป็นที่พึ่งปลาดถนาของพวกเราท่านทั้งหลายส่วนความตายก็เหมือนกันเด็กก็ตายได้กลางก็ได้หนุ่มสาวก็ตายได้เท่าแกชา่ชราผลที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีความตายไปได้อันนี้แหละชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ เมื่อได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วควรจะเน้นหนักในจิตตภาวนาของตนเองให้มีสติจากนั้นก็พิจารณาถึงความเป็นอยู่ร่างกายโลกนี้ไม่น่าอยู่อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องถึงจุดจบแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายภาวนาไว้อยู่เสมอว่ามรณงเมภาวิสติให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอ ถ้าคนระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอคนนั่นจะไม่ลุ่มหลงในวัฏฏะสงสารพวกเราท่านทางหลายผู้ยังมีชีวิตอยู่เอก็ดูคนตายเห็นคนตายอธิบายอย่างนู้นอธิบายอย่างนี้แต่พอตนเองตายก็คนอื่นเขาอธิบายอย่างงุ้นอธิบายอย่างนี้ตัวเองก็นอนวิญญาณออกจากร่างแล้วมันไม่มีความสุขนะคนที่ตายลูกคนที่เจ็บปวดขณะก่อนที่จะตายนั้นเป็นยังไง หาความสุขในจิตในใจไม่ได้เพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะให้พิจารณาไว้อยู่เสมอชีวิตของพวกเราเนี่เป็นไม่เที่ยงแท้แน่นอนควรจะส่แสวงหาทางพ้นทุกเพราะว่าชีวิตของเราไม่น่าไว้ใจอีกสักวันหนึ่งความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงพวกเราแน่นอนเมื่อตายไปแล้วไม่สูญเกิดอีกนะแล้วหลวงพ่อได้ มาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้เลือกได้ได้อ่านหนังสืออาจารย์หมออวยเกศสิงห์อาจารย์หมออวยนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพระกรรมฐานเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นาศาสตราจารย์ของหมอโรงพยาบาลศิริราชสมัยนั้นก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านรู้จักหมดนะหลวงกศิษย์หลวงปู่ขาวที่ท่านไปสลักหินอยู่ที่ถ้ำกองเพนเป็นพระพุทธรูปน่ย อาจารย์หมออวยเคารพหลวงปู่ขาวหลวงตาหาบัวหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่ท่านให้ความเคารพนับถือแต่คนในยุคอาจารย์หมอท่านก็คงจะสงสัยเหมือนกันทั้งที่ท่านเป็นอาจารย์หมอท่านก็สนใจเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยมันทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าพวกเราเราท่านท่านทัน้งหลายไม่ว่าแขกไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าใครทั้งหมด เรื่องสงสัยวความตายแต่ตายแล้วสูญนะตายแล้วเกิดมันอยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่อาจารย์หมอท่านก็ไปค้นคว้าศึกษาเรื่องตายแล้วเกิดท่านก็ไปศึกษาหลวงตามหาบัวก็เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังสมัยอยู่กับองค์ท่านท่านว่าสมัยหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่เดินทุดงกรรมฐานอยู่ก็มีพระ องหนึมาจากจังหวัดอุบลเออมาจากจังหวัดอุบลเดินทุรงขึ้นมามาผ่านนครพนมแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมนะในเมื่อท่านมาจำพรรษาสมัยนะั้นท่านอยู่เมืองอุบลท่านก็อยู่ในแถวทุ่งเอ่อทุ่งแต่นี่เมื่อเมื่อท่านเข้ามาในดงอากาศมันเปลี่ยน และอีกอย่างหนึ่งยุคสมัยนั้นก็มีไข้มาลาเรียไข้จับสั น, นี่เต็มไปหมดนะในถิ่นเนี่ยไข้จับสันคนเข้ามาในโดงหนึ่งคนต่างถิ่นต่างฐานต่างที่เข้ามาเนี่ยกลัวมากว่า ง, งั้นเถอะบางทีก็เป็นไข้ผมหล่นหมดว่า ง, งั้นเถอะจอยตาโบแต่คนสมัยนั้นพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมากินข้าวได้นะออพอหายพอหายจากไข้กินข้าวได้แต่พอจากไข้ามาเกิสัน เ, เรียกว่าไข้จับสัน บางคนเขาตั้งชื่อว่าเป็นไข้พ่อตาแม่ยายชังคําบอกงั้นนะเพราะว่าลูกเขยไปอยู่กับพ่อตาแม่ยายจะทํางานก็ทําไม่ได้แต่กินเนี่ยโอ้โหกินไม่รู้จักอิ่มไข่จับสันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นตอนนี้พระบัวเนี่ยก็ท่านก็มาจากทางจังหวัดอุบลขึ้นมาเดินทุรงมาผ่านมุกดาหารขึ้นมามุกดาหารก็เป็นอําเภอธาตุพนมก็เป็นอําเภอขึ้นมา สามผงดงพันเนาพอมาอยู่ที่นั่นพระตายอยู่ที่นั่นสามองค์อาจารย์บัวท่านบัวเนี่ยได้ห้าพันษาก็ตายในนั้นอีกเป็นองค์ที่สามเป็นไข้มาลาเรียที่ว่านั่นนะพอตายเสร็จแล้วที่นี่พอพอออกจากร่างนะพอออกจากร่างนี่ท่านออกมายืนเป็นพระกรรมฐานแครเข้าว่าเป็นเป็นกายทิพย์ออกมานั้นออกจากร่างตัวเอง พอออกมาแล้วท่านก็นมายืนอยู่มีบาทมีกรดด้วยนะแต่คนทั้งหลายมาก็มาเห็นมาก็มาแสดงมาพูดมาจาถึงซากศพแต่เขาไม่ได้ถามยท่านบัวที่ยืนภายกดเขาไม่ถามเขาถามเขาดูสนใจแต่ไอท้ที่ที่นอนอยู่นั่นนะที่บัวตายอนกันแที่บัวยืนเน่ยเขาไม่ถามท่านก็มาพิจารณาดูเอ๊ะเราเนี่ ลักษณะอย่างนี้เราตายแล้วเนี่ยท่านเขารู้เลยตัวเองตายทิ้ง เ, ออเราตายแล้ววะจากนั้นเขาก็เอาศพเผาเขาก็ไม่เก็บไว้นานเพราะมันเนา่าเขาไม่มียาฟงมรวงพมลินอย่างทุกวันนี่พอตายเสร็จแล้วก็เป็นนว่าตายแน่แล้วเขาก็จัดการเผาเลยว่างั้นเถะพอเผาเสร็จแล้วท่านก็ออกจากบ้านสามผงเดินมาเพื่อจะกลับบ้านพอมาถึงนครพนมท่านก็มาเกิดที่บ้านน้ำำํากั่ม ในตำราที่ท่านอาจารย์หมอท่านเขียนนะมาเกิดที่บ้านน้ำกำั่มพอเกิดขึ้นมาตัวเองเข้าไปอยู่ในท้องแม่ก็รู้นะแต่ท่านบอกว่าในขณะที่เดินที่มานะั่นท่านก็ไปหาพญโยมพะบาลเหมือนกันนะไปสู่พญโยมพะบาลเขาก็แนะนำบอกแต่ท่านไม่กล่าวถึงจุดนี้ละเอียดเพรางั้นอะท่านก็เลยมารวบรัดเลยว่าพโ ย, ยมพะบาลให้กลับมาได้ ท่านก็กลับมาพวกบววญญูวิญญาณน่ะวิญญาณน่ะเดินออกมาที่จะเดินทางไปถึงบ้านเขาพอมาถึงบ้านน้ำกลับมาเห็นหญิงคนหนึ่งเป็นนั่นก็เลยเข้าไปอาศัยเขาจากนั้นก็เข้าไปอยู่ในท้องเขาอีกอท่านบอกว่าท่านตายสองพันสี่ร้อยแปดิบเจ็ดเลื่อย ใช่เอ่กว่านั้นกว่านั้นเพราะว่าท่านตายแล้วท่านมาเกิดมาเกิดเป็นมาเกิดในบ้านเขาก่อนที่จะเกิดต้องรู้ทุกระยะว่าท่านมาเกิดพอเกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับตัวเองแต่ภายบาทมีกดอยู่ในในความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแต่สมัยเด็กนะี่ก็พูดไม่ได้อ๋แออแอแต่ว่าจําได้ทุกอย่างพออายุใหญ่ขึ้นมาพอสองสามขวบทีนี่เวลาพูดกับใครพอพูดได้เลย ก็พูดอาตามาทนี่เอออาตามาเป็นยังไงอาตามาเป็นพ่อแม่เอา้าเด็กทําไมไปหาพูดอาตามาได้ยังไงอันนี้เป็นคําพูดของพระนี่ผู้ใหญ่เขาก็ดูเธอเนี่ยแกพูดยังไงแซ่เขาจะหวัวตอเธอเนี่ก็ตกใจเออว่าเราในพูดผิดก็หยุดพูดว่างั้นเถะพอต่อมาอยุถึงห้าปีเริ่มพูดได้ชัดเจนทีนี่ก็พูดให้พ่อให้แม่ฟังวัน แต่พอเกิดมานีเา้เขาตั้งชื่อว่าเลี่ยมใช่ไหมบ่าเนี่อซื่อเลี่ยมเด็กชายเลี่ยมอพอต่อใหญ่ขึ้นมาเขาก็เลยให้บวชบวชเสร็จแล้วเราเป็นเนนเลี่ยมจากนั้นเขามางานศพของหลวงปู่มันก่อนที่มันจะชัดจริงก่อนที่จะฮือฮากันขึ้นมาทีนี่เพราว่าเนนนี่แหละที่เนอนอาจารย์ทองนะอเนนตรงเนี้ยเขาว่า เขาไปอยู่กับอาจารย์ทองเขารู้จักอาจารย์ทองดีอาจารย์ทองวัดธาตุพนมอ่ะวัดหลวงพ่อก็จำไม่ได้วัดนี้เป็นวัดหลวงปู่เสามาก่อนนะมีในธาตุพนมมีวัดหนึ่งวัดเก่าแก่มากเลยกุฏิหลวงปู่เสวก็ยังอยู่ออาจารย์ทองก็มาอยู่ที่นั่นอะโยมอาของหลวงพ่ อ, อยังอาหนอมเนี่ยยังเป็นเนนอยู่ว่างั้นเถอะยังเป็นเนนไปทําผิดอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนพระเขา เรียกธนกรรมสมำเนนคนไหนทําผิดเขาลงธน ก, กรรมว่างั้นหโยมอาหลวอายังพูดว่าพระลงธน ก, กรรมเนนสององค์ไปทําผิดอะไรก็ไม่รู้เขาให้ลงไปลื้อส้วมส้วมสมัยก่อนมันเป็นหลุมนละไม่มีเครื่องรถ ด, ดูดส้วมอย่างทุกวันนะียพอมันส้วมเต็มแสดงว่าพระเขาช่วยกันตักออกตักออกตักออกแต่นี้นก็ให้เนนที่ลงธน ก, กรรมนะลงไปลือ้อลงไป พอลงไปลือเสร็จแล้วตอนนี้พ่อขึ้นมาขึ้นมาไปอาบน้ําอาบน้ํำก็ยังมีกลิ่นเหม็นอาใครก็ยังมีกลิ่นเหม็นตายสามเณรสองตัวไม่รู้จะทํำยังไงร้องให้เหมือนกันเถอะเออพ่าบอกมันเหม็นทั้งตัวไปที่ไหนก็เม่ไรมันเหม็นมันเหมือนออกมายังไงก็เป็นอย่างงั้นอ่ะมันเหม็นอันนั้นเหมือนกันเถอะมันเป็นอันนั้นละเหม็นอันนั้นล่ะเหมือนกันเถอะเออกรมอาหน้อมบอกว่าพระท่านก็เลยโอ้ไม่ได้ท่านก็เลยต้มน้ําขึ้นมา พอต้มน้ําขึ้นมาท่นี้ท่านก็เอาผ้าเจวรขาดขาดเก่าๆมาพันตัวของเนนให้ดื่มน้ำเท็ดื่มน้ําอุ่นว่างั้นดื่มเหมือนกับดื่มน้ําธรรมดาเนี่ยพอดื่มข เ, กออกเมออมข้าไปเงื้อแตกออกีนไงเนื้อมันออกดื่มเข้าไปเงื้อออกเอาผ้าพันไว้ดื่มเข้าไปเงื้อออกพันทั้งหัวทั้งอะไรเลยเห็นเอาไว้แต่จมูกหน่อยเดียวงั้น่อผลในสุดดื่มน้าเข้าไปเงื้อออกมา ก, มากๆไงเนี้ยก็เลยปล่อยออกมาพอเย็นๆแล้วให้ไปอาบน้ํา กลิ่นหายหมดเลยเท่าไงเพราะว่าไอ้กลิ่นส้วมมันเข้าไปในขุมหลุมขนเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือหลวงอาหลวงพ่อเนี่ก็เคยไปเป็นสัมมาณนยอยู่ที่ที่นั่นเหมือนกันที่วัดธาตุพนมนะที่วัดอาจา ร, รย์ทองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของแถบนครพนมเท่ามีการประชุมอะไรครับไปไประชุมกันที่นั่นนี่แหละเนเรเลียมนี่กับ มาในงานศพของหลวงปู่มั่น2องพันสีก็มาเห็นกับชี้อาจารย์ทองถูกต้องเลยเนี่ยอาจารย์ทองไปยังวนอย่างนี้แล้วใครๆก็รู้จักหมดทีนี้เนรบอกหมดเลยจำได้หมดว่า ง, งั้นอันนี้ก็เป็นที่ฮือหากันสมัยนั้นว่าเออเป็นยังไงเนนเป็นยังไงท่านก็บอกให้ฟังหมดวิธีการตายของท่านเป็นยังไง ระลึกชาติได้เพรางั้นเถอะนี่แหละสรุปแล้วก็คือดวงวิญญาณดวงเนี้บางคนก็ตายแล้วเกิดขึ้นมาระลึกชาติได้แต่บางคนก็อย่างว่าตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาก็จาชาติไม่ได้เป็นเสียส่วนมากแต่บางคนเกิดขึ้นมาก็จาชาติได้ก็มีอยู่เพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วใจของเราใจของมนุษย์ชาติเนี่ยตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอย่างที่เขาได้พูดหลายๆเรื่องที่หลวงพ่อได้นำมาพูดกล่าวให้แก่ศรัท ธ, ธาญาติโยมฟังต่างกล่าต่างวาระการสรุปแลวก็คือใหเอ้เน้นเรื่องว่าตายแล้วไม่สูญอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้ที่โคลนต้นโพในวันเดือนหเพนที่ท่านตรัสว่า ปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติผนหลังได้ท่านมีญาณทัตสนะท่านระลึกชาติผลหลังได้แต่ญาณทัตสนะบางคนในครั้งพระพุทธเจ้าหรือว่าบางคนที่ระลึกชาติได้คือระลึกชาติได้แต่ชาตินี้ระชาตสองชาติให้หลังเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าไอ้ชาติที่แล้วหนึ่งข้าก็ทํากรรมชั่วนะแต่ชาตินี้ข้าไปเจ้าเกิดมาก็ไม่เห็นได้รับกรรมชั่วอะไร ก็ได้รับแต่กรรมดีก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือคนระลึกชาติก็ทำให้คนหลงได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าได้ยานทัทธสนะอย่างพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ท่านมียานั้นทัศนะอย่างยาวเหยียดเนี่ยท่านจะระลึกไปชาติต่อๆไปอีกว่าบุพกรรมชาตินี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยท่านได้รับผลมาจากไหนจากชาติไหนในชาตินั้นท่านทาอะไรไว้จึงได้รับผลในชาตินี้เป็นอย่างนี้ ตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้หรือจะเริอนรุ่งเรืองขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะอั น, นิี้สงในชาติไหนท่านก็นจะเรียงลําดับไปถึงชาติก่อนๆนั้นท่านได้ทําบุญกับพระปัจเจกได้ทาบุญกับพระหรหันได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ปฏิบัติอั น, นิี้สงคุณงามความดีในพบนั้นชาตินั้นจึงมาเกิดในพบนี้ชาตินี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาบโรยยศสรรเสริญแต่ว่าชาติที่แล้วเนี่ยท่านทำคำชั่วจริงยุ่ แต่กรรมชั่วที่ทำในชาติที่แล้วนะ่ยยังไม่ให้ผลเพราะกรรมตัวทำดีคราวก่อนนั้นยังให้ผลยังสืบเนื่องอยู่มันยังให้ผลไม่หมดแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อบุญกุศลตัวนั้นหมดแล้วบาปอกุศลที่ท่านได้ทำไว้เนี่ยจะต้องเรียงลำดับกันไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้ท่านผู้มีญาณนะทัศนนะท่านจะเรียงลำดับ รู้หมดทุกอย่างวิถีทางเดินของจิตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระก็ดีเป็นศรัทธาญาติโยมก็ดีให้ศึกษาอย่าประมาทในการเป็นอยู่ของพวกเราตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่ต้องสงสัยตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นอย่าประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้แล้วจะทํำยังไงจึงจะให้มันหมด ไม่มาเวียนไหวยตายเกิดอีกพราะพรุทธเจ้าท่านก็สอนพระสงฆ์สาวกคือลูกของท่านพุทธบริษัทสีท่านก็บอกว่าให้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ของไม่เที่ยงอันนี้จังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สินสิ่งนั้นเป็นอนัตตาใจของเรานี่แหละนึกคิดเรื่องต่างๆคิดเรื่อง น, นั้นปุ่งเรื่องนี้อันนี้แหละตัวนี้เป็นของไม่เที่ยง เดี๋ยวความนึกนั้นเดี๋ยวความน น, นี้มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจของพวกเราถ้าภาวนาภาวนากำหนดสมาธิดีแล้วจิตใจเข้าสู่ความสงบดีแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วเมื่อเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนเข้ามาถึงตัวใจตัวผู้รู้นี่แหละภาวนาทั้งหลายที่สอนมาที่ว่าพูดมาพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว เท่าภาวนาถ้าไม่เศ้าเข้ามาสู่หลักจิตหลักใจแล้วแปลว่ายังไม่ถึงยังเผลนผิวเผลนอยู่ข้างนอกแปลว่าชิวนั้นชิวนี้อยู่งั้นเถอะไม่ตรงเป้าแต่ถ้าหาว่าพวกเราดูใจเขาตัวเองนึกคิดเรื่องอะไรสมาธิของเราใครเป็นผู้สงบเมื่อใจสงบแล้วนำมาพิจารณา ทางด้านปัญญาเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงร่างกายทุกส่วนเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมไม่ต้องสงสัยธาตุสี่ร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมไม่ต้องสงสัยใจของเราไปยึดเกาะไปยึดมั่นถือมั่นให้ความสาคัญสิ่งนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยใจของเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกสลาย ออกจากจิตใจใจของเราเป็นทุกข์ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยถ้าจิตใจไม่ได้ฝึกเอาไว้เพราะนั้นเราต้องดูใจของเรามันถึงจะเกิดมาอย่างไงก็ตามร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราพร้อมที่จะปล่อยวางพร้อมที่จะแยกแยะพร้อมที่จะถอนออกมาใจเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่ ง, นนงไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่กายกับใจเนี่จากนั้นก็ใช้ ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญามรรแปดนี่แหละเป็นเครื่องกันกรองเผากิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจเมื่อใช้ตปธรรมเผาแล้วใจของเราก็ละเอียดหลุดลอยไม่ยึดมั่นถือมั่นพอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกส่วนไม่ยึดมั่นกระทั่งใจตัวเองปล่อยวางกระทั่งความรู้สึกนึกคิด ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจออกจากจุดนั้นแล้วนั่นแหละจวบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจที่ปล่อยวางนอกเหนือจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงอันนี้บอกจิตของพระอรหันต์ใจของพระอรหันต์ความหลุดพ้นออกมาจากตัวกิเลสความบริสุทธิ์ออกมาจากความไม่บริสุทธิ์ความฉลาดก็ออกมาจากความโง่อย่างพวกเราเรียนหนังสือพวกเราไม่รู้ แต่พอเราเรียนรู้แล้วเรารู้แล้วความโง่นั่นก็ตกไปอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะก็ไม่สามารถที่จะมาเกาะจิตใจของท่านได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะการภาวนาการปฏิบัติมีที่สิ้นสุดนะจบหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินมาพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าพาดําเนินมาจุดจบของพวกเราท่านทั้งหลาย คือจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจปล่อยวางใจปล่อยวางเหนือจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงจิตออกจากกิเลสเป็นอวกาศของจิตอวกาศของธรรมนี่แหละพวกเราทุกทท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องสมาธิทำจิตใจยังไงจึงจะให้เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้ กำหนดยนอย่างภาวนายังไงสรุปแล้วก็คือสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นจากนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบและแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาเห็นอสุภระปฏิกูลเห็นร่างกายสังขารเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในเมื่อเห็นเหล่านั้นเป็นของไม่มั่นคงเป็นของไม่เที่ยงแท้เราก็พิจารณาถึงตัวผู้รู้คือนมามธรรมที่ไปยึดเกาะ ไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเราเห็นว่าไปเกาะสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไปยึดไปถือไม่ได้จากนั้นก็ปล่อยวางอยู่ที่ใจเพราะว่าุดถึงเราจะไปยึดไปเกาะในสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นน้องเข้ามาหาตัวผู้รู้ดูใจของตนเองเท่านี้นั่นแหะแปลว่าถึงจุดถึงจุดหมายปลายทางถึงเราจะไม่ ไม่ละไม่ปล่อยวางไม่ได้ก็ให้มาตรุมบอลอยู่จุดนี้บ่อยๆพิญนาทีอะไรก็ให้มาจุดนี้บ่อยๆตีเข้ามาจุดนี้บ่อยๆหลายครั้งต่อหลายหนหลายเที่ยวต่อหลายทีอีกสักวันหนึ่งมันก็คงจะไม่ทนต่อการพิสูจ น, น์เหมือนกันเหมือนกับโยกคลอนหลักที่ฝังลึกอยู่ในแผ่นดินวันนั้นก็เขยา่าวันนี้ก็เขยา่าเขย่าไปเขย่ามามันก็โยกคลอนขึ้นเรื่อยๆก็ถอนได้ อันนี้ก็เหมือนกันถ้ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้ารู้จริงเห็นจริงด้วยปัญญาของเราแล้วนะวันนี้ก็เห็นว่าการพูดการแสดงให้หมู่เพื่อนฟังก็เห็นว่าพอสมควรขอหยุดติเพียงเท่านี้เอาต่อนี้ไปนั่งสมาธิ